งานเผยแพร่ะนะเป็นงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้สาวกทำพวกเราก็เป็นสาวกได้คำว่าสาวกนะไม่ได้แยกว่าเป็นพระหรือขราวาดหรือชีอะไรไม่ได้แยกขราวาดก็เป็นสุปฏิปันโนได้เคยสวยดไหม สูปฏิปันโนพราว่าโตสาวะกะสังโครพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีถ้าไม่ได้บอกว่าพี่ขู่สังโคนะไม่ใช่ว่าหมู่สงท่านใช้คาว่าสาวะกะสังโคหมู่สาวกเงินพวกเรานี้ก็เป็นหมู่สาวกได้ถ้าใจเราเข้าถึงทำเมื่อไรนะ เราก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าจะบวชหรือไม่บวชไม่สำคัญหรอกแต่ใจอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียนตัวบุรุษได้แปดบุรุษภาษาบุราณโบราณคือนะบุคคลแปดจำพวกนะแต่ว่าสรุปลงมาก็มีโสดาสกธาคาอนาคาพระรหันท แต่ละอานนะโสดาก็มีโสดามากโสดาผลคูณสองไปหมดอรหัตตมากอรหัตตผลอัตตมาบุคคลอรหัตผลตบุคค ล, ตคคลแต่คนที่เราเจอเนี่ยจะเป็นผลละเพระตอนที่มากเกิดนะ่ยเกิดขณะจิตเดียวนะยังดูไม่ทันนะแต่ท่านจัดลําดับไหมเพราะพระโสดาปฏิมากแไม่ใช่ปุถุชนแล้วก็ไม่ใช่ โซดาปฏิผลด้วยเลยต้องแยกไว้ทางวิชาการแต่ในความเป็นจริงถ้าเราเจอตัวเนี่ยถ้าโสดาก็โสดาไปแล้วะเป็นโสดาปฏิผลไปแล้วผ่านผลไปแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าโซดามักโสดามากัามากต้องประเภทกาลังเทศอยู่แล้วจิตเข้าถึงธรรมตรงนี้เลยเนี่ยในขณะนั้นแหละขณะเดี่ยวแวบเดี่ยวนั่นล่ะเราะฉะั้นอริยบุคคลนะ ไม่ได้แปลว่าบวชนะไม่ใช่ต้องใส่เครื่องแบบอย่างนี้แต่งตัวอย่างพวกเราก็ได้นุ่งกางเกงก็ได้นุ่งกัะโปรงนุ่งผ้งงาถุงไม่จาเป็นต้องนุ่งผ้าถุงห่มสบด้วยซ้าไปนะไม่จาเป็นหรอกธรรมะไม่ได้อยู่ที่เปลือกธรรมะอยู่ที่ใจใจเข้าถึงธรรมะก็เป็นสาวกของพระเจ้าเมื่อนั้นนะ แต่กก็เป็นผู้เชื่อฟังคำสอนของท่านพวกเราเชื่อไหมเชื่อคำสอนของพระเจ้าไหมท่านให้รักษาศีลห้ารักษาได้ดีไหมท่านสอนให้ทำอะไรเราทำไหมท่านห้ามอะไรเราเราทำบ้าง <laughs> ทอย่างที่ท่านห้ามรเปล่าพวกเรายัางมีคลุกคลีไหมชอบยุ่งกับคนอื่นมีไหม อ๋อไม่ใช่สาวกเสังโฆอ่ะยางยุ่งอยู่คิดท้าเมื่อไหร่เราทำผู้เจ้าให้ทำเราทำผู้เจ้าห้ามเราเราเว้นนะเราเป็นสาวกได้จริงเราก็มาดูท่านให้ทำอะไรใหาให้เรามีศีลเราก็รักษาศีลตั้งใจไว้ตั้งใจรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลอยู่ก็ได้ชื่อว่า เราเชื่อฟังคำสอนของผูเ้เท่เจ้าอยู่ท่านสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจมีสองขั้นตอนฝ <c oughs> ึกให้สงบพักผ่อนนี้ทำสมถะกรรมฐานฝึกให้เกิดปัญญาอนี้วิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> เราได้รู้จักการพักผ่อนจิตบ้างไหมหรือจิตของเราร่อนเล่ทั้งวันทั้งคืน ใครเห็นจิตท่อนเร่ทั้งวันทั้งคืนมั้งยกมือซิอมีไหมจิตอุตรุดเลยนะเที่ยวไปตลอดเวลามีที่พักบ้างไหม <c oughs> หาที่พักไม่ได้เหนื่อยที่พักของจิตก็คือสมถกรรมฐานมีที่เดียวเองสมถาก็จําเป็นนะเวลาจิตไม่ได้พักเลยจะเดินปัญญารวดไปเนี่ยจิตจะไม่มีแรงจิตจะเหน็ดเหนื่อยเน็ดเหนื่อยทํางาน ทือทำวิปัสสนาเนี่ก็ไม่ค่อยเกิดมรรคผลหรากทำยากจิตต้องไรได้พักบ้างบางคนจิตก็พักในฌานทําชาญได้แต่คนส่วนน้อยหรอกที่ทําชาญได้แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลคนทําชาญได้ก็เป็นคนจํานวนไม่มากคนจํานวนมากสมัยพุทธกาลที่บราารลุพระอรหันต์คือคนอย่างพวกเรานี่พวกเขาชาญไม่เป็น ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะที่หลวงพ่อเคยนับไว้ให้สามสิบสามสิบสาสิบร้ยแปดสิบจาก5้าร้อยสามสิบหกสามสิบหกหาออกไปได้หกสิบี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่เปล่าอ้หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์คือคนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่เป็นนะที่เป็นพระอรหันต์นะนะฟังแล้วดีไหมฟังแล้วมีกำลังใจบางคนชอบสอนนะต้องไปเข้าฌานก่อนเข้าฌานก่อนให้นะ มากมาก้วถึงจะมาเดินปัญญาผู้เราเองผู้เา้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็เข้าชานไม่เป็นแต่เวลาเราเข้าชานไม่เป็นนะเราจิตต้องการพักจิตจะทำยังไงจิตมันจะลงของมันเองเคยมีไหมที่นั่งภาวนาไปผ่านไปหลายหลายวันเป็นช่วงนะมานั่งปุ๊บจิตไม่รู้เรื่องแล้วไม่อยากรู้อะไรแล้วเขาเรียกว่าจิตมันภาษา ปฏิบัตินะีจิตมันตกพวังไว้จริงจิตมันหนีแนละ้วมันมันทนรู้อารมณ์ต่อไปไม่ได้นะมันหนีไปพักนะจิตมันหนีไปพักก็อย่าไปฝืนมันคล้ายๆเราใช้งานคนงานของเรานะ่ยเราใช้งานจนเขาเหนื่อยแเขวก็หนีไปหลับแล้วนะนะยังไปปลุกเขามาอีกอันนี้เข้าขั้นโหดร้ายทารุณแต่ทารุณกับตัวเองงั้นบางช่วงบางเวลานะจิตเขาต้องการพักก็ให้เขาพักไปอย่าไปฝืนมันอย่าไปเดินปัญญาย24ชั่วโมงนะ เดนอย่างนั้นไม่ได้ผลอะไรหรอกช่วงไหนจิตต้องการพักก็นั่งก็แล้วจิตมันจะรวมเคริมคร้มเคลมปล่อยมันให้มันพักไปแต่ถ้าติดนิสัยนั่งทีไรเคลิ้มทุกทีนลุกขึ้นเดินเลยนิสัยไม่ดีขนะี้เกียจเกินไปนะแต่ถ้าเดินปัญญาไปจิตมันเหนื่อยมันจะพักของมันเองนะห้ามมันไม่ได้หรอกเวลาเราดูจิตดูจิตเนี่ยขนาดว่าดูจิตอยู่นะเห็นจิตเกิดดับอยู่นะ ถึงคราวเนี่ยจิตจะรวมเข้าพักของมันเองไม่ได้เจตนาเข้าฌานนะเข้าได้เองเข้าของมันเองได้เข้าฌานที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเคยฝึกมาแบบไหนงั้นเวลาที่จิตต้องการพักก็ให้เขาพักไปอย่าไปฝืนมันแต่ถ้าจิตขี้เกียจไม่เอานะจิตขี้เกียจเขาลุกขึ้นสู้ลืมตานั่งภาวนาทีไรหลับทุกทีก็ลืมต า, าไปภาวนานะนั่ง ลืมตาภาวนาอย่างหลับอีกก็ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนหลวงพ่อเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์นะบางองค์ท่านี้งวงมีท่านมีปัญหาแบบเดียวกับที่พวกเรามีนั่งสมาธิแล้วก็หลับฉะนั้นจิตมันขี้เกียจไม่ใช่ว่าจิตจะพักนะท่านใช้วิธีไปนั่งริมหว นั่งอยู่ริมเหวนั่งจิตเนี่ยรู้ตัวตลอดเลยสตนะิอัตโนมัตินะเด่นดวงเลยได้ดีไปเลยนะเราได้ยินอย่างนี้บ้างเราก็เอาบ้างนะขึ้นนั่งบนโต๊ะตรงนี้นั่งริมๆแล้วลองตกเพราะมันไม่กลัว <c oughs> ไม่กลัวจริงเดี๋ยวก็ตกเลยก็พยายามนะถกวา่าท่านจะดีได้แต่ละองค์แต่ละอ ง, ะงท่านก็ ล, ล้ม ล, ลูกคลุกคลานเหมือนเราแหละ ไม่ใช่ว่าวิเศษวิโสมาจากไหนหรอกกว่าจะพ้นทุกข์ได้นะก็เหมือนๆกันล้มลุกลุกลครานล้มแล้วก็ลุกนะลุกฝุ่นมันก็ไม่อยู่กับที่คลานไปไม่ยอมท้อถอยภาวนาบางครั้งล้มเหลวหมดเรี่ยวหมดแรงก็ไม่ทอถอยทอถอยก็ไม่เลิกนะบางวันขี้เกียจขี้เกียจก็ไม่เลิกนะี่จะสู้ตายหัดรู้หัดดูไปเรื่อย วันนี้มันท้อแล้วเกินท้อแล้วทําไงท้อรู้ว่าท้อวันนี้ขี้เกียจจะเกินทําไงรู้ว่าขี้เกียจ ด, ดูมันเข้าไปไม่เลิกตั้งใจเข้มแข็งค่ฝึกไปแล้วใจจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะพลังของจิตจะเพิ่มขึ้นจิตมันมีพลังมากๆเนะี่ยมันจะมีแรงก้าวกระโดดก้าวกระโดดจากความเป็นปุถุชนไปเป็นพระญาบุคคลได้พวกเราคนไหนรู้สึกว่าจิตมีพลังมากกว่าก่อน รู้สึกตัวบ้างัหมมีหมมันจะมีพลังมันจะสะสมของมันนะจะสะสมไปเรือ ย, อยเราสร้างความดีสร้างอะไรลดละกิเลสไปเรื่อยนะจิตจะยิ่งมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะพอรวมพลังได้เต็มที่นะก็เกิดอริยมรรคทีหนึ่งแล้วก็มารวมพลังใหมนะ่ก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆรื่ศีล ส, สมาธิปัญญาพลังคืออะไรพลังของรู้จักคาว่าพละไหม พลังของอะไรของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา น, นั่นเองคือพลังของสิ่งเหล่านี้ น, นั่นเองไม่ใช่กําลังภายในนะ <c oughs> จิตที่มันเข้มแข็งขึ้นมานะศรัทธามันก็แน่นแฟนขึ้นใช่ไหมความขยันมันเพียรมันก็เยอะขึ้นสติมันก็ดีขึ้นโดยไม่เจตนาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเกามีมากขึ้นการแยกรูปแยกนามเห็นธาตุขันแสดงใจรักก็เห็นได้ชัดเจนขึ้น จิตมันมีพลังมันจะเห็นงั้นที่หลวงพ่อว่ามีพลังพลังนะอย่าไปวาดภาพเหมือนกําลังภายในนะปล่อยทางฝ่ามือทางฝ่าเท้าอะไรไม่ใช่หรอกพลังของจิตซึ่งมีศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญานะถ้าเป็นพระญาตบุคคลยังมีพลังเพิ่มขึ้นจากนั้นอีกมีพลังของฮิริโอตตะนะเวลาจะทําผิดศีลเนี่ยละอายใจ เราเกรงกลัวผลของบาปไม่กล้าทําหรอกเป็นพลังของจิตพลังศรัทธาเป็นตัวเอาชนะความไม่ศรัทธาพลังของวิริยะเอาชนะความขี้เกียจพลังของสติเอาชนะความหลงลืมตัวพลังของสมาธนะิเอาชนะนิวรณ์พลังของปัญญาเอาชนะความโง่เนี่ยเราจะเอาชนะ กิเลสนานาชนิดที่ซุมหัวกันอยู่ในใจเราแล้วก็สร้างพลังขึ้นมาพลังพวกนี้เกิดจากการที่เราฝึกของเราเองตั้งใจรักษาศีลทุกวันฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูธาตุดูขันทำงานแสดงใจรักเรื่อยไปพลังมันจะเพิ่มเองพวกเราคนไหนรู้สึกว่าเราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆคนไหนรู้สึกอย่างนี้ไหม แต่ก่อนก็ลังเลใช่ไหมมีจริงเปล่าวอะไรเปล่าหรือจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นคลาลานะรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นไหมว่าเส้นทางนี้จะนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยศรัตน์นะศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมเชื่อมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วจะศรัทธาในพระสงค์นะรถ้าเมื่อไหร่ใจเราเป็นพระสงค์เรารู้เลยว่าพระสงค์เป็นยังไงนะ ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอะไรหรอกไม่ต้องห่มเหลืองไม่ต้องกกนหัวอะไรนะเปนะ็นผู้หญิงนี่แหละผมยาวๆถึงเวลาก็ไปดัดผมบ้างอะไรบ้างนะผมตรงๆก็ไปทำให้หยิกๆยิกผมหยิกๆยิกไปทำให้ตรงๆนะผมดำก็ไปทำให้เป็นสีน้อนสีนี้อนะไรอย่างเงี้ยพอผมขาวก็ทำให้ดำอย่างเงี้ยก็ยังทำได้นะเป็นเป็นครวา่าจุเนี้ก็นะเป็นสาวกได้ไม่ใช่ว่า ต้องทำตัวปอนๆอย่างเดียวหรอกสวยๆอย่างนี้แหละทำธุรกิจอย่างนี้แหละไม่ต้องนุ่งผ้าถุงห่มสบายไปเจราจาธุรกิจของนะมันก็เกินไปปากเขียวอื้อเลยไม่ทาอะไรนะนซีดๆไปอะไรไม่จำเป็นอย่าแต่งหนะ้าแต่งตัวให้สวยๆอย่าลงรูปมากนะก็แล้วกันแต่งเท่าที่จำเป็นอยู่ในสังคมว่าพอไม่ให้หนักเกลียดกลื่นๆอยู่สังคมนะก็ แต่เรื่องทางใจเราภาวนาไม่ลดละนะไม่ต้องทำตัวให้แปลกแยกมีปัญหาเยอะจะแปลกแยกกับสังคมแต่ถ้าสังคมมันชั่วอย่าไปชั่วกับมันนะตัว น, นี้ต้องใจแข็งจริงๆเลยอย่างหลวงพ่อตอนเป็นโยมรับราชการใหม่ๆนะเราอึดอัดใจมากเลยเวลาไปกินข้าวกับผู้ใหญ่นะบางทีเขากินเหล้าแล้วเขาพยายามจะเขี่ยวเข็นให้เรากินเหล้าเราไม่กินโอ้โหกว่าจะต่อสู้ ให้เขาเข้าใจได้นะเขาก็มองเราเป็นพวกเพียนเพียแอบๆอบนะว่าอะไรว่าวันวันสนใจแต่เข้าวัดเข้าว่าอะไรอย่างนี้นะทำไมไม่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาสะบ้างหัวหน้าหลวงพ่อสอนนะธรรมะเธออย่าเรียนมากนักเธอเรียนแล้วเอามาแอปลาใช้แล้วได้ก็พอแล้วเธอจะสนใจอะไรนักน่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาเวลาผ่านไปนะ เราเติบโตขึ้นต่อไปคนมานั่งโต๊ะเราเนี่ยไม่มีใครกล้ากินเหล้าเลยมันรู้ว่าคนนี้ไม่ ก, กินเหล้าไม่กลา้านี่ยกว่าจะฝึกตัวเองนะกว่าจะสังคมเขายอมรับยอมรับกว่าสังคมจะยอมรับความดีของเราได้เนี่ยต้องใช้เวลานะแต่จะให้สังคมยอมรับความชั่วของเรานี่ง่ายมากเลยะขนาดเราไม่ชั่วมันยังว่าชั่วดายเลยนะ แต่จะให้เขาอยอมรับเอไม่กินเหล้าดีกว่าอะไคนนี้ไม่กินเหล้าอยอมรับได้แรกๆก็ลำบากเหมือนกันแต่อย่างกินเหล้าเนี่ยผิดศีลใช่ไมเราต้องเด็ดเดี่ยวไม่กินนะแต่แต่งหน้าทาปากไม่ผิดศีลห้านะยังเป็นคาววาจะแต่งหน้าทาปากเป็นครั้งคราวเพราะไม่เป็นไรหรอกนะไม่จำเป็นว่าต้องปอนปอนธรรมะไม่เกี่ยวกับการปอนปอนนะ ไม่ต้องแกล้งดัดจริตทำเป็นสมถะอย่างนี้นะไม่ใช่ซื่อๆกับตัวเองเลยเนี่ยเทศอย่างนี้หลายคนคนระับกระยิมยิ้ ม, ย, มย่องพอใจจะไปซื้อลิปสติกแล้วแต่อย่าไปหลงรูปมากนะมีสติเข้าแล้วจะรู้ว่าเวลาทาลิปสติกนะเหมือนเอาสีไประบายใส่ต่อไม้หรอะ <c oughs> เวลาหาแชมพูห า, που, หาสบู่อย่างดีมาทาตัวนะอาบน้ำอาบอะไรไม่ต่างอาบน้ำหมาหรอกรู้สึกเลยว่ากำลังล้างของโสกปลกอยู่เนะี่ยคนที่มันมีสติปัญญาเนะี่ยอยู่กับโลกก็ฉลาดนะอย่าไปขัดแย้งกับโลกนะแต่ว่าอย่าให้โลกมันกลบอมลัเราให้อ ย, อยู่สบาย แล้วก็ภาวนาเราไปเรื่อยๆใจเราสูงขึ้นนะต่อไปคนที่แวดล้อมเรามันตามเรานะมันค่อยๆเห็นนะคนนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปคุยอวดเราหรอกบางคนภาวนานิดหน่อยก็พยายามไปเผยแผ่ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกเพราะว่าเขาจะปราบมาเอาเธอเข้าว่าตั้งนานยังขี้โมโหเหมือนเดิมเคยได้ยินไหมไประโยคอย่างเงี้ยมันพูดอย่างนั้ว่ากิเลสน่ะละง่ายเนาะ เราเข้าวันนิดเดียวพอนานิดเดียวมันอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อจะไม่เชื่อถือเราอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจใครนะเราพนาักเราไปเรื่อยนะไม่ต้องไปหวดใครหรอกถึงวันหนึ่งเขาจะถามเองทำไมเธอสดใสจังนะเธอใช้ครีมนิ้หัวอะไรเนื้อเสริมสวยวิธีไหนเราก็ตอบไปอย่างชาติลาดฉันฟังซีดีหลวงพ่อประโมทจ้ะนี่เออ ฉันถึงสวยอย่างนี้รู้สึกไหมสวยขึ้นรู้สึกไหมอ๋อสวยจริงๆนะลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะเดี๋ฟังเอาใจเปลี่ยนหน้าตาน่าใสาผ่องใสแล้วไม่ใช่ใสแบบลืมเนื้อลืมตัวนะใสรู้เนื้อรู้ตั ว, นะตวนะแช่มชื่นเบกิกบานรู้ตื่นเบกิกบานเนะจตใจตั้งมั่นถึงฐาน อย่างนี้มันถึงจะใช้ได้ <Yeah. S 1> ฝึกนะฝึกตัวเองหลวงพ่อสอนไม่มากมายแนละ้วไปฟังซีดีเอาถ้าเวลาเกิดความสงสัยไม่ต้องไปถามใครนะเกิดสงสัยไม่ต้องถามใครหรอกไปหยิบซีดีมาสักแผ่นหนึ่งแผ่นไหนก็ได้นะยกมือไหว้พระพุทธเจ้าทีแล้วก็เปิดเอาเดี๋ยวก็เจอคำตอบนะมีทุกอันนะที่ที่สมควรตอบนะ ที่ไม่สมควรตอบเขาไม่มีไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ตอบไปนะไปเที่ยวถามเขานะบางทีเราภาวนาดีๆเข้าภาอนาไม่เป็นนะเราชิดนึกว่าเขาสอนถูกพาเราเตลิดเปิดเพลืงไปนะแล้วมาเรียนเสร็จแล้วนะกลับบ้านไปภาวนาที่บ้านปลอดภัยที่สุดไม่ต้องร่อนเร่ไปที่อื่นนะอันนี้หลวงพ่อดูมาจากประสบการณ์นะพวกที่วิ่งวัดโน้นวัดนี้พวกนี้ไม่เคยเจริญเลย ใจฟุ้งซ่านศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยไม่เคยได้ผลเลยงั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยลงมือทําเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองในเวลาไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนนะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราหยิบยุ่งกับคนอื่นเราพอนางเราไปเดี๋ยวเรากําลังดีๆมาพาเราเสียอีกนะงั้นเราพยายามพึ่งตัวเองนะอย่าพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองให้มากสงสัยอะไรนะอ่านพระไตรปิฎกเอาก็ได้ แต่ว่าหลวงพ่อแนะนําว่าอดทนฟังซีดีหลวงพ่อสักก่อนสักช่วงหนึ่งนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกจะเข้าใจหรือไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อื่นก็จะเข้าใจจนะรู้เลยว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนชัว่วอันไหนจริงอันไหนไม่จริงจะรู้ด้วยตัวของเราเองเลยเราเพราวนาอยู่บ้านเราดีที่สุดเลยนั่งรถอยู่บนถนนก็พวาวนาบนถนน กลางวันอยู่ในที่ทำงานนะถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดาเนั่นเองจะกินข้าวพวกเราใช้เวลากินข้าววันละนานเท่าไหร่ถึงชั่วโมงไหมสามมื้อเนี้ยถึงไหมมีใครเตรียมอาหารเองด้วยถือซื้อข้าวถุงมา ก, ก็ต้องมาอุ่นใช่ไหมเนี่ยช่วงเวลานี้กระบวนการเตรียมอาหารกระบวนการกินกระบวนการล้าง นระหว่างนี้วันวันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะดีไม่ดีอาจจะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงบางคนพิถีพิถันเรื่องมากในการกินนะใช้เวลานานมากเลยเวลาเนี้ยภาวนาเอาเวลาตรงนี้มาภาวนาได้สบายๆเลยกินข้าวไปก็ดูจิตดูใจไปนะดูกายมันทางานดูใจมันทงานอาบน้ำวันละกี่รอบสองรอบวันนี้เช้าใครอาบแล้วบ้าง โอ้ใจแข็ง嘛ใจเด็ดน่าดูเลยอาบน้ํานานเท่าไหร่วันหนึ่งสองครั้งเนี่ยรวมแล้วนา น, านเท่าไหร่ฮะหนึ่งชั่วโมงอาบครั้งละชั่วโมงหรือครั้งละครึ่งชั่วโมงหลวงพ่ออาบห้าหนาทีเองสาผมก็ง่ายหไหม เราอาบเสร็จแล้วต้องมาเป่อีกมช่ไใช้เวลายาวแต่ผู้หญิงเยก็ใช้เวลานานหน่อยนะอาบเสร็จแล้วยังกระบวนการทําให้แห้งเนยะใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเลยไหมกินข้าวชั่วโมงนะอาบน้ําอีกชั่วโมงแต่งตัวนี่ภาวนาไดไ้นั่งรถไปทํางานใครนั่งรถรอบละชั่วโมงมีไหม เช้าชั่วโมงเย็ยนชั่วโมงได้อีกสองชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงแล้วอันนี้เราเคยเอาไปโยนทิ้งหมดเลยเวลาพวกเนี้ยลองเราไปเก็บเวลาคืนมานะวันนึ่งไม่ใช่น้อยเลยแนหะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนะี่ยคือคนที่บริหารเวลาไม่เป็นแค่นั้นเองนี่คือคําตอบสุดท้ายนะ เอาใครจะส่งกันบ้านเชิญนำ้ำมาสการครับหลวงพ่อนั่งกัตธรมัดนั่งท่านนี้ไม่ไหวหรอกเออนั่งให้มันสบายคือยังใจลอยอยู่มากครับหลวงพ่อลอยนานหรือลอยบ่อยลอยบ่อยครับบางทีก็นานครับเออถูกบางทีมันก็สติก็เกิดเร็วบางทีมันก็เกิดช้ า, ากเกิดช้าก็นานนะครับ ฝึกไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะไม่ลอยนานให้ดูจิตนี้เหมาะอยู่แล้วใช่ไหมครับหลวงพดูไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับจิตมันพัฒนาขึ้นมาด้วยกรรมฐานนี้เราก็ทําไปไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยบางคนเปลี่ยนกรรมฐานรายวันไม่ดีนะสับสนจิตใจนี่สับสนเองเลย ทำแบบไหนดีเราก็ทําไปทไํายังไงสติเกิดบ่อยเอากันแหละนะไม่ต้องเรียนแบบใครครั บ, รบขอบพคุณครับดูจิตดูใจนะมันดูไม่โก้เพราะเวลาเราดูจิตดูใจเราอยู่ไม่มีใครเห็นนะมันไม่เท่อย่างเราปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิอย่างนี้นะเวลาใครเห็นเขาโอ้หน้าเลื่มอมใสนะก็ <c oughs> จริงมันนั่งหลับอยู่นั่งยิ้มนะ <c oughs> กําลังฝันอะอย่างเงี้ย แต่เปลือกมันสวยแต่เราพอนาของเราจริงๆนะถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่มีเปลือกเลยดูไม่น่าเลื่อมใสเท่าไหร่หรอกอย่งเว้นพวกที่เขามีหูมีตาเขาดูพลาดเขาก็รู้แล้วไปททำต่อขอบคุณครับเอา้าต่อไปใครจำเป็นจะคุยอยู่หลวงพ่อบ้างพอจำเป็นนะที่คิดว่าเราจำเป็นครับนมันอ ก, การหลวงพ่อครับอ่ อ, อมผมส่งการบ้านครับ ผมลองดูตัวเองรวมๆแล้วรู้สึกว่าการภาวนามันยังเป็นแบบหลงแล้วก็รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ไปบังคับรักษาครับมันก็จะวนๆอยู่งี้มันก็มีสามแบบนะเผลอไปรู้แล้วก็บังคับเผลอรู้บังคับเป็นอย่างนั้นแหละส่วนคนซึ่งไม่ภาวนามีอันเดียวเผลอเผลอเผลหัดใหม่ๆนะเผลอรู้บังคับเผลอรู้บังคับพอชํานาญขึ้นนะเผลอรู้เผลอรู้เผลอรู้นะ ก็สุดขิตเลยรู้รู้รู้นะไม่มีเผล อ, อเพราะฉนั้นมันอยู่ในกระบวนการปกติละ <Okay. S 1> อย่าให้เผลอนานก็แล้วกัน <Okay. S 1> มีเครื่องอยู่ของจิตสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจะอยู่กับกรรมฐานอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอยู่กับกรรมฐานนั้นแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่เพื่อให้จิตนิง่งนะเช่นพุโทโธพุโทโธจิตนีไปแล้วรู้รู้ลมหายใจจิตนีไปแล้วรู้รู้ทันเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา จิตตั้งมั่นแล้วก็ดูขันมันทํางานร่างกายมันนั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งนะะหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกุศลนกุศลเกิดขึ้นไม่ใช่เราแล้วมันของแปลปลอมเข้ามาครับนามสการครับเมื่อส่งการบ้านเขาที่แล้วคือมันเห็นชัดครับแต่พอหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันไม่ชัดแล้วครับอย่าอยากนะอยากไม่ชัดหรอกถ้าดูจิตไม่ชัดดูกายไปเลยเพราะร่างกายยังไงก็ชัด พอดีว่าเพิ่งไปเข้าคอร์สจากที่นึงมาครับแล้ว ร, รู้สึกจิตใจแบบมันเฉื่ยชาแล้วไม่มีพลังเลยครับแล้วก็เป็นพออะไรครับเลยอย่าไปเพ่งเอาไสิ อ, อย่าไปบังคับมันต้องปล่อยๆใช่ไหมครับเปนอมมันให้สงบน้อมมากๆน้ําซึมไปเลยอืมนะครับหลวงพ่อเลยไม่ชอบฝึกเข้าคงเข้าคอร์สนะไม่ค่อ ย, ยนิยมอะ่ะครับเวลาเราเข้าคอร์สนคนสมมติร้อยคนเนี่ย มาเดินพร้อมกันนั่งพร้อมกันกินพร้อมกันนอนพร้อมกันนะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนต้องพอนากลางคืนกลางวันนอนบางคนต้องพอนากลางวันกลางคืนนอนบางคนไม่นอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ละคนไม่เหมือนกั น, นครับนี่เราพยายามทําทุกอย่างให้เหมือนเหมือนกันมันเหมือนฝึกทหารมากกว่าเพราะฉะนั้นกรรมฐานจริงๆเนี่ยเมื่อรู้หลักแล้วก็ไปพอนาว สมัยพุทธกาลนะพระมาฟังเทศพอฟังเทศเสร็จแล้วนะต่างองค์ต่างแยกย้ายไปภาวนาต่างคนต่างรมแล้วก็ตอนค่าอะไรเงี้ยก็มาเฝ้าพระเจ้าท่านก็สอนอะไรให้ออกไปแยกย้ายกันภาวนางั้นการภาวนาเนี้ยบางครั้งนะโยมไปที่วัดแล้วก็ตกใจว่าพระหายไปไหนหมดนี่แท้พระแยกย้ายกันไปภาวนา หลวงพ่อเลยนิยมการเรียนกรรมฐานแบบธรรมชาติอย่างนี้มากกว่ารเราเข้าคอร์สเราก็ไปน้อมน้อมตามเขาไปนะซึมอย่าให้ซึมครับซึมเป็นชื่อของส้วมไม่ดี <c oughs> <c oughs> อย่ามารู้สึกไว้อีกอีกอย่างครับคือว่าผมมองไม่ค่อยเห็นอารมณ์ตัวเองครับเลยเน้นแบบดูกายไปก่อนดู ก, กายไปก่อนครับดูจิตไม่ได้ดู ก, กายคเคยโกรธไหมเคยครับ เ, เคยโลภไหม เคยครับเคยฟุ้งซ่านไหมเคยครับดีใจเสียใจอิจฉาเคยครับมีหมดเลยแต่มันนานกว่าจะรู้ครับมันนานเพราะไม่มีอะไรกระทบหรือบางทีกระทบแล้วใจนิ่งๆเพราะว่าเราเพ่งอยู่ถ้าเราไม่ได้เพ่งอยู่นะกระทบแล้วความรู้สึกจะเกิดตลอดเวลาเลยอย่างแค่เรานั่งอยู่อย่างนี้นะมดเดินแถวมาใกล้ๆเรายังเครียดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเลี้ยวมาใส่เราเปล่าเป็นไหม นั่งๆอยู yes, <laughs> ่แล้วมดเดินมานะะตัวมันนิดเดียวนะมันควรจะกลัวเรานะเราเนี่ยพอไม่ได้เพ่งแต่ถ้าเพ่งอยู่นะเสือเดินมาก็เฉยงูเดินงูเลื้อยมาก็เฉยเฉยเพ่งเอออย่าไปเพ่งซะมันก็เคลื่อนไหวที่ไม่เห็นอะไรเพราะไปเพ่งอยู่อ๋อหลวงพ่อมีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมไหมครับอย่าไปบังคับมัน ร, รู้เนื้อรู้ตัวไปปล่อยให้จิตเนี่ยจิตใจเคลื่อนไหวเราเห็นไหมยอย่าไปจ้องเวลาดูจิตห้ามไปจ้องรอดูนะถ้ารอดูว่าจะมีอะไรให้ดูเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยหลักของการดูจิตนัมีสามข้อก่อนจะดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูเอาความรู้สึกเกิดก่อนโลบขึ้นมาเรารู้ว่าโลบอะไรเงี้ยถ้าไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะโลบะจะไม่โลบมันะจะนิ่งๆไป กอนจะดูนะอย่าไปอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูนะระหว่างดูนะดูห่างๆอย่ากระโจนเข้าไปดูแล้วเป็นกลางอย่าไปแทรกแซงโกรธขึ้นมาก็ไม่ต้องไปให้หายโกรธแค่ดูว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หายออกมันเองไม่แทรกแซงเนี่หลักของการดูจิตนะแต่ถ้าเราจะดูจิตปุ๊เราจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่อะไรจะโผล่จะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างไปหมดเลยนะกับลวงพอาอค่ะสาวค่ะ อ่ะว่ามาเจ้าค่าหลวงพ่อเมื่อวางหลวงพ่อส่งกงบ้างให้แม่ชีบอกว่าแม่ชีติดที่ควางสุขแต่แม่ชีเห็นว่ากายกับใจไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกทุก ท, กทกหนัหนังไม่รู้ขอหลวงพ่อชี้ให้แม่ชีติดที่ไหนค่ะแม่ชีเห็นไหมว่าใจเราเวลารู้อารมณ์นะมันยังไหลไป ไหลไปคลุกอยู่กับอารมณ์ตามอารมณ์ไปใจเราไม่ได้ถอนตัวออกมาเป็นคนดูจริงๆหรอกใจยังไม่เป็นกลางด้วคยค่อยๆสังเกตไปหมายทั้งว่าใจเขาเข้าไปที่สุขใช่ไหมใช่ก็ก็เห็เขาใจเข้าไปที่สุขแม่ชีก็เห็นอยู่เขาเข้าใจสุขอยู่พอพอใจเข้าไปแล้วเฉยๆไหมเป็นกลางไหมหรือพอใจหรือไม่พอใจ แม่สก็มีพอใจอยู่ดูไเรื่อยๆนะพอใจให้รู้ไม่พอใจให้รู้นะเวลาที่เราจะถึงธรรมะจริงๆนะจิงมันจะเป็นกลางจริงๆเห็นอยากไหมก็ก็มีอยู่ก็บางทีก็อยากเข้าไปอยู่นเนพราะเพราะเข้าไปเข้าไปที่สุข ไม่ใช่อยากเข้าไปแล้วให้เขาเข้าไปอยู่แต่รู้ว่าเข้าไปที่สุกอยู่เออเนี่ยมันเข้าไปแล้วพอใจก็รู้น ะ, ะมันไม่ยอมเข้าไปก็หงุดหงิดนะก็รู้นะไม่ชอบก็รู้เพราะงั้นจิตเราเป็นยังไงให้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆเราไม่ได้พาวนาเอาสุกหรอกนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้บังคับไม่ได้อย่างเนี้ยใจอยากพูด ความอยากพูดมันจะดันขึ้นตรงกลางหน้าอกขึ้นมาเนะนี่ยเราดูมันเป็นอยากของมันได้เองเราไม่ได้สั่งให้อยากมันก็อยากขึ้นมาเราดูเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ทำงานได้เองเราไม่ได้สั่งเนี่ยดูจิตใจถนะ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ได้ดูเอาสุขหรอกแต่ว่าต่อไปพอเราดูมากๆเห็นความจริงมากนะจิตมีความสุขเองนะแต่เราจะไม่ติดกับมัน แต่แม่ทีเห็นว่าตัวไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ของเราเองเอออย่างนี้เห็นง่ายร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นพระอริยะนะเห็นร่างกายไม่ใช่เราพรนะพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าคนนอกศาสนาพูดไม่เคยรู้ธรรมะเลยนะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแต่มันยังเห็นว่าจิตเนี่ยเห็นไหมมันมีเราอย่างโน่นเราอย่างนี้ทั้งวันนะจิตมันยังเป็นเราอยู่ ถ้าเป็นพระโสดาแล้วจิตไม่เป็นเรานะเนี่ยเราค่อยๆดูไปถึงวันหนึ่งใจก็ไม่เป็นเรานะเหมือนที่เราเห็นร่างกายไม่เป็นเราะนะะคเวลาเราได้ธรรมะจริงๆได้โสดาจริงๆนะใจไม่เป็นเราละแม่ชีก็รู้ทันอย่างนี้นะค่ะขอบคุณค่ะธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะกันบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปทําให้บ่อยขึ้นเจ้าค่ะก็เพิ่งจะเริ่มทําได้บ่อยขึ้นอีกนิดนึงเจ้าค่ะดีนะะ ก็ช่วงนี้ภาวนาสบายขึ้นค่ะแล้วก็บางคร<ม>ั้งมันจะเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราอะค่ะเหมือนเวลาเราเผลอแล้วเรากลับมาเห็นมือตัวเองจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มือของเราอะค่ะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรสห์มีอะไรต้องปรับปรุงหรือทําเพิ่มไหมคะหลวงพอ่อใจอย่าใจร้อนน ะ, ะไม่ต้องหวังผลอะไรถือว่าเราได้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นเรื่องดีแล้วคําถวายพุทธเจ้านะส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลช่างมันแล้วแต่เวรแต่กรรมค่ะคุณนะค่ะ นิทรการหลวงพ่อค่ะก็ที่ผ่านมาเหมือนมันมีพลังงานข้างนอกเข้ามาแทรกค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็พอไปเริ่มรู้ปั๊บมันจะปลดหัวค่ะแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าแบบพอไปรู้ปั๊บเราขันเรามันเป็นเหมือนที่รองรับพลังงานนั้นนะคะหนูก็เลยคิดว่าขันเรามันเอ ไม่น่าจะเป็นที่ยึดเกาะของอะไรเองอะคะอ่ะก็เลยนึกถึงคําหลวงพ่อที่ว่าใหา้รู้สึกเหมือนแสงแดดที่ผ่านเข้ามาในอากาศนะคะแล้วก็เลยลองทําดูก็ปรากฏว่ามันหลุดหมดเลยอะคะอ่ะเหมือนกับว่ามันมีแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นเป็นวิธีแก้นะเป็นอุบายนะส่วนหลักก็คือว่าเมื่อมีสิ่งใดมากระทบนะใจเรายินดีก็รู้ทันใจเรายินร้ายก็รู้ทัน เราก็จะเห็นในใจเรานี่เปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยวินร้ายเดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปเรื่อยๆส่วนสิ่งที่มากระทบเป็นแค่สิ่งเราเท่านั้นเองอเราเพื่อให้ใจเราเปลี่ยนแต่ถ้ามันทําความลําบากให้มากก็เป็นอุบายเอาตัวรอดเป็นครั้งคราวโนะอ๋ลานีก็คือ เป็นแค่อุบายใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้อ่ะค่ะมันจะเดี๋ยวต่อไปมันจะหนีไปหมดนะงั้นเราเดินหลักของเราอุบายไว้ใช้เมื่อจนตัวจริงจริงอันนี้ก็คือให้สังเกตดูว่ามันชอบหรือไม่ชอบรู้ทันที่จิตของเราเลยนะเมื่อกระทบอารมณ์นี้แล้วโทสะเกิดรู้ทันกระทบอารมณ์นี้ราคะเกิดกระทบนี้สุขกระทบนี้ทุกข์ ก็จะเห็นราคาโทสะสุขทุกข์อะไรนั้นเกิดดับเกิดดับไปแล้วนั่นเราเดินปัญญ า, าแค่นี้เป็นวิธีเอาตัวรอดเป็นคลั้งคลาวเท่านั้นแหละ<า>ไม่เดินปัญญ า, าแต่จำเป็นก็ต้องใช้<า>เหมือนอย่างพระนะเดินทุ ด, ดงไปเจอผู้หญิงสวยใจมันรักก็กลับมาอยู่ในป่าก็พิจารณาปฏิคูณสุภาอะไรเงี้ยไม่ไหวสู้ไม่ไหวนะใจมันรักมากขึ้นมากขึ้นนะท่านก็ใช้วิธี แบบกรดหนีไปเลยอยู่ที่อื่นถน้สู้ไม่ไหวก็หนีอันนี้ก็เหมือนกันล้าลำบากมากก็หลบกันซ ะ, ะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่เคยดูแล้วอินนะคะเดี๋วนี้ดูแล้วก็แค่ก็สังเกตเห็นว่ากายมันก็ปกติแล้วมันก็เป็ น, ปนแค่มีจิตมันก็กระเพื่อมกระเพื่อมกลาง อ, อกแล้วก็ผ่านไปค่ะาใจเราไม่ชอบก็ให้รู้เาอาไม่ชอบเลยที่มันกระเพื่อม เรารู้เอาดีมันเติบโตขึ้นนะครับน้ำมาสการค่ะหลวงพ่อปกติฟังซีดีค่ะเพิ่งมาครั้งแรอวกค่ะก็เมื่อก่อนนี้หราฟังซีดีมานานไหมก็ฟังเป็นระยะค่ะจะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าบางทีติดสอบเลยแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างไหม <S <S> <S ก็เห็นค่ะ ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้ฟังบ่อยก็เหมือนเห็นกิเลสเยอะค่ะแต่ว่ามันไปติดเพลงแล้วมันก็จะอึดอัดไปออหมดเลยอเออนะถ้าเพลงแล้วอึดอัดนะค่ะแล้วมันบางทีมันก็ปวดหัว อ, อะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันเยอะจนมันกลัวค่ะหลวงพ่อล้วก็เลยไม่ไหวช่วงนั้นก็เลยเหมือนออืไม่ไห ว, วก็หยุดไปก่อนแล้วมาอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละนะแล้วความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยๆรู้ไปเดี๋ยวมันก็รู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้ละเอียดขึ้น มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเรารีบร้อนนะก็เวียนหัวนะปวดหัวค่ะก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มกลับมาปฏิบัติใหม่อีกทีหนึ่งนะคะหลวงพ่อปฏิบัติมันไม่มีอะไรหรอกตามองเห็นใจเราเป็นไงรู้ทันหูได้ยินเสียงใจเป็นยังไงรู้ทันใจไปคิดใจเราเป็นยังไงก็รู้ทันเอานะ mm hmm. หรือถ้าดูจิตดูใจตะวันไหนดูจิตไม่ออกก็ดูร่างกายไป เห็นร่างกายยิ้มร่างกายขยับมือร่างกายพยักหน้านะดูมันเห็นคนอื่นไปดูร่างกายมันเห็นคนอื่นดูจิตใจนะั่นก็เห็นแค่ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ได้มุ่งจะไปเอาเดียวสุขเอาสงบอะไรหรอกนะดูไปให้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะเริ่มเห็นไหมว่าทุกอย่างชั่วคราวเริ่มเห็นเอออย่างนั้นแหละดีนะเอาตรงนั้นแหละเป็นทางเอาตัวรอด ต่อไปจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวพอจิตมันยอมรับตรงนี้ได้นะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะไม่หวั่นไหวมากรนะอย่างความสุขมันหายไปหรือแล้วเราอยู่กับคนนี้เรารักนะแล้วคนนี้หายไปเนี่ยใจเราไม่หวั่นไหวมากเพราะใจมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมันชั่วคราวใจของคนทั้งหลายที่มีความทุกข์มากเนี่ยเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ สิ่งที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่ตาเนี่ยถ้าเรายอมรับไม่ได้เมื่อไหร่เราจะทุกข์เยอะเลยแต่ถ้าเราเห็นปัญญามันเกิดมันเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ก็เป็นของชั่วคราวนะใจจะไม่หวั่นไหวเลยไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อดีต่อชั่วเนี่เราฝึกจนกระทั่งใจเราเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะไปฝึกเอาดีใช้ได้คือว่าเดี๋ยวมันจะปิดเทอมอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันจะมีโอกาสได้ฝึกเยอะเลย อย่ารีบร้อนนะไปปิดเทอมแล้วก็ไปช้อปปิ้งบ้างไปอะไรบ้างนะถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์แบ่งเวลาปฏิบัติไว้ทุกวันเลยกํนะาหนดเวลาไปเลยถึงเวลานี้เราพอนาะให้เวลากับตัวเองนะเดี๋ยวนี้ปิดเทอมนานเนาะใช่ไหมเขาปิดเทอมต้องหกเดือนใช่ไหมแปลกนะทำไมปิดเทอมนานไม่ลืมหมดหรอ เปิดเธอมมาเรียนไม่รู้เรื่องสงสัยปิดเทอมนานๆเพื่อให้ไปเรียนพิเศษหรอือเปล่าเราเด็กไทยเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษอย่างเดียวเอ่อมรณะการหลวงพ่ออเปล่วะว่าไงวันนี้ฉันจะมาส่งการบ้านนั่งไปนะคะสติกับจิตเนี่ยมันก็อยู่รวมกันอยู่นั่งนั่งไปจิตเขาเกิด เออเขาบอกเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าเอจิตที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอพอพูดจิตไม่ใช่ของเราเขาพลิกพับทันทีเลยเออก็พลิกก็พลิกแล้วแต่นี้เขาก็ขึ้นมารวมอยู่เขาขึ้นมารวมอยู่โยงรวมก็นั่งดูเขาเฉยๆแต่จิตไม่มีแล้วแต่มันมีตัวขึ้นมารวมอยู่ข้างบนโยงก็ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็แต่นั่งไปนานๆความคิดมันมีค่ะ ความคิดแต่ไม่มันไม่เข้ามารวมกับที่เราเราจิตว่างตัวว่างๆตัวนี้นะเราไม่รักษาตัวว่างๆนะ<ฆ>มีก็มีไม่มีก็ช่างมันแล้วสยมสบายขึ้นไหมสบายค่ะจิตมันก็เป็นกลางอ่อดูบ่อยๆนะแล้วจะให้หลวงพ่อแนะนำมใ้โยมทำยังไงคะคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไป<ฆ>ค่ะมันจะหลงไปคิดไหลไปวืบไปอย่างเงี้ยเราคอยรู้ทันไม่ห้าม แต่รู้ว่าไหลค่ะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆอแกรมนมัสการหลวงพ่อค่ะเริ่มฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมแนวดูจิตมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งค่ะยังไม่เคยมาส่งการบ้านหลวงพ่อเลยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นเจ้าค่ะะ รู้สึกไมกายกรบใจคนละอันตัวนี้ชัดไหมเจ้าค่ะเห็นไหมว่าสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลกใจก็เป็นคนละอันเจ้าค่ะเนะห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเจ้าค่ะาวนาไปดูไปเรื่อยๆปีหลังๆนี่ก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเห็นรู้กับหลงไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะใช่บางครั้งเหมือนกับเราจะ มีความรู้สึกว่าเหมือนไม่รู้แต่ก็รู้เอออย่างนั้นน่ะดีรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้นะ่ะไม่รู้ว่ารู้อะไรดีเหมือนจะเบาๆไปบางครั้งก็จะเกิดความไม่มั่นใจเอออย่างนั้นแหละดีหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยภาวนาเก่งมากเลยครั้งหนึ่งท่านถามพระกรรมฐานมีพระนั่งกันหลายองค์ บอกผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่ผมรู้หรือไม่รู้พระท่านก็นั่งเงียบๆ เ, เป็นหลวงพระพุทธวิสัชนาถวายให้บอกที่รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่แหละรู้แหละยอดของการรู้เลยทำไมไม่รู้ว่ารู้อะไรเพราะไม่มีสัญญาลงไปหมายว่ามันอะไรเป็นอะไรเห็นแย่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปนะเวลา ภาวนาไปจนถึงเวลาที่จิตจะเข้าใจธรรมะเนียมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาทําไมใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้ซัมติงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรตรงที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะใจไม่ได้มีสัญญาเข้าไปหมายนะดีดีดไม่ใช่ไม่ดีบางครั้ ง, งเหมือนเหมือนเราจะคล้ายคครึ่งครึ่งรู้ครึง่คงคึหลอ ง, ล อ, ง, ล อ, งอะไรอย่างเงี้ยจ๊อกไม่เป็นไร รู้กับหลงเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวแหละถ้ารู้กับหลงหน้าต่างกันชัดมากเลยนะถ้าจงใจรู้ถ้าไม่ได้จงใจนะมันจะคาบกันนิดเดียวคาบเส้นนิดเดียวมันจะเนียนเนียนนิดเดียวเออเห็นไหมจิตมันพลิกตลอดเวลาเห็นเจ้าค่ะระหว่างหลงก็รู้นะพลิกปับ๊บแป๊บปับแปบ๊ตลอดเวลาเลยวันนี้จะมากราบขอการบ้านเพิ่มเจ้าค่ะทําความสงบได้บ้างไหม ปกติจะทำสมาธิโดยการฟังธรรมเจ้าค่ะลองลังหายใจแล้วรู้สึกตัวเสยรู้สึกตัวสบายๆนะอย่าเพ่งเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะเห็นไปสบายๆฝึกเพิ่มนิดหน่อยอย่างเนี้ยเห็นร่างกายหายใจนะไม่เพ่ง ไม่ใช่เอาจิตไปจับอยู่ที่ลมทำอย่างเงี้ยสุไปมีแค่เห็นร่างกายหายใจหายใจออกหายใจก็ก็มีบ้างเ่้าค่ะระหว่างวันที่ทำอิรยาบททางกายทั่วไปแต่ว่าพอนั่งลงทำจริงๆก็ทำไม่ได้เจ้ค่ะก็เลยส่วนใหญ่ก็จะฟังทำเป็นเนี่ยนั่งก็อีกอย่างนี้ก็ได้เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายขยับนะคอยรู้สึกอยู่ให้มันมีบ้านอยู่จิตมจะได้มีกาลัง หมดเวลานะานนเช่นกับข้าขอให้แครวคลาดปราศจากอันตรายนะ <c oughs> <c oughs> ยุคนี้ไม่ต้องพูดเรื่องสติแล้วสติสเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs>